และการตกใจซึ่งจะทำให้สีสาก ข, ของเด็กๆกลายเป็นสีขาวบท น, นี้ได้จบลงด้วยการผ่อนผันของอลัลลอฮแกรอซูลของพระองค์และบรรดามุหมินผู้ศรัท ธ, ธาจากการยืนละหมาดตะหัดยุดในเวลากลางคืนเป็นความเมตตาแก่ท่านและบรรดามุหมินผู้ศรัทธาท้งนี้เพื่อจะได้ให้ท่านรอซูลและบรรดาสาวกของท่านนาบีมีเวลาปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต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 ครึ่งหนึ่งของกลางคืนหรือลดน้อยกว่านั้นเพียงเล็กน้อยอ ห, รนนหรือเพิ่มกว่านั้นและจงอ่านอัลกุรอานช้าๆเป็นจังหวะถ้าจริงเราประธานโพชนาตองค์การอันหนักหน่วงแก่เจ้า ه ه แท้จริงการตื่นขึ้นในเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาที่ประทับและเป็นการอ่านที่ชัดเจนยิ่งอินนัลกฟินฮาริบะฮ ل แท้จริงสำหรับเจ้านั้นในเวลากลางคืนมีภารกิจมากมายวะบลิสมรบบกวะบติตบทีลา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 และจงผ่านผันให้แก่พวกเขาสักเล็กนอ้อยแท้จริงนะที่เรานั้นมีโซ่ตรวนและกองไฟลุกโชน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 วันนั้นฉั้นฟ้าจะแยกออกและสัญญาของพระองค์จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยอแท้จริงนี่คือข้อเตือนสติดังนั้นผู้ใดประสงค์ก็พึงยึดถือเป็นแนวทางไปสู่พระผู้อภิบาลของพวกเขาเถิด إ ِ ن رَبَكَ ي ع ل َ م ُ أ ن ك َ ت َ ق و م ُ أ د ن ى م ِ ن ث ُ ل ُ ث ي ا ل ل َّ ي ل ِ و َ ن ص ه ُ وَثُلُثَهُ و َ ق ا ئ ِ ف َ ة مِنَ ا ل َّ ذ ي ن َ م ع ك وَاللَّهُ ي ُ ق َ د ِّ ر ا ل ل ي ل َ و َ ا ل ن َّ ه ا ر ع َ ل م َ أ َ ل َّ ت ُ ح ص ُ و ه ف َ ت َ ب َ عَلَيْكُمْ فَقَرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ ا ل ْ ق ُ ر آ ن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 وأقيم الصلاة و َ آ ت الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرات واستغفر الله إن الله غفور رحيم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 ที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าก็จะพบมันณนที่อัลละ์ซึ่งเป็นความดีและผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นพวกเจ้าจงขออพรโทษต่ออัลล์ถ้าจริงอัลละ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ